ท่ยนผู้ชมมัตตบารีจต่างหลายสำหรับตอนี้ไปก็โปรดฟังการปฏิบัติในพระกรรมฐานสำหรับการปฏิบัติพระกรรมฐานที่จะพูดต่อไปนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติสำหรับภายในหรือว่าโดยเฉพาะคนที่อยู่ภายในวัด แต่ว่าท่านหลายที่อยู่นอกวัดจะปฏิบัติด้วยก็ได้ที่บอกว่าเพีเพราะคนภายในวัดจะเพราะว่าถ้าจะพูดมากไปที่คนภายนอก mm. ก็เกรงว่าจะเห็นว่าเป็นการบังคับกเกินไปแต่ความจริงวิธีปฏิบัตินี่ไม่ใช่การบังคับเพราะว่าเราปฏิบัติเพื่อมรรคผล คำว่ามรรคผลก็หมายถึงว่าทุกคนต้องการนิพพานปัญหามีว่าทุกคนน่ะถ้าจะปฏิบัติเพื่อ น, นิพพานในหวังก็ได้แน่นอนไหมว่าอย่าไปนิพพานทั้งนี้ก็ขอบระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้ทงหลายสร้างกำลังใจตามนี้ตามธรรมดาของคนเดินทางไกล เราจะเดินแค่วันเดียวได้ชั่วคู่เดียวถึงย่อมเป็นไปไม่ได้แต่ก็ไม่แน่นักอาศัยที่กําลังกายกําลังใจมีความฉลาดก็สามารถจะทําทางไกลให้เป็นทางใกล้ได้ถึงแม้ว่าเราไม่สามารถจะทําทางไกลเป็นทางใกล้ได้แต่เราเดินไปไม่หยุดยัง้งเราก็ถึงปลายทางชั้นใด สำหรับพระนิพพานนี่มีคนส่วนมากพูดว่าไม่หวังในพระนิพพานก็เป็นเรื่องของท่านว่าคนบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานี่สมเด็จพระสัมมาทัธเจ้าทรงตรัสว่ามีกําลังใจไม่เสมอกันในเมื่อการที่มีกําลังใจไม่เสมอกันอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายอาตมาก็จะไม่เข้าไปยุ่งกับกําลังใจ กำลังใจของคนที่ไหนเท่าไรเป็นเรื่องของท่านเรามาพูดกับเรื่องของเราเวลานี้ทุกคนปฏิบัติมโนยิธิได้แล้วแล้วก็มีมากรายด้วยกันที่ปฏิบัติมโนยิธิได้สามารถไปเห็นสวรรค์ได้เห็นภูมโลกเห็นนิพพานเห็นนรกเปรตสุรกายได้ แล้วก็บอกว่าปราบะบับเวลานี้จบกิจการศึกษาของวัดท่าสงแล้วแต่ความจริงมันดาท่านพระตถาคตการปฏิบัติในมโนมยิทธิไม่ใช่จบการศึกษาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ามโนมยิทธิก็ดีสองในวิชาสามก็ดี ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสามารถทำได้เห็นได้ไปได้เรื่องนี้เพื่อเป็นการป้องกันความสงสัยกําลังใจของเราเท่านั้นเองเพื่อสร้างความมั่นใจในจิตจิตเราจะได้ไม่สงสัยว่าพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งสอนไว ไม่ใช่สอนแบบเละเทะเป็นการสอนตามความเป็นจริงว่า ม, มีจริงฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงก็ดีบรรดาพิสุสมณเณรก็ดีที่ปฏิบัติกรรมฐานอยู่จงอย่ามีความรู้สึกว่ามนโนยิทธิที่เราได้ เป็นการพอสาหรับเราแล้วเราทำจบแล้วอันนั้นยังไม่จบมโนมิทธิที่เราได้เป็นฌานโลกีฌานโลกีนี่ถึงม้ว่าเราจะพบอะไรได้ก็าตามสามารถจะเห็นนิพพานได้เรื่องนิพพานนี่ความจริงเป็นของไม่หนักเพราะว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าม่ได้ทรงหวงนิพพานไว้เฉพาะพระองค์ และก็โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเมื่อพระองค์ทรงใกล้จะนิพพานสมเด็จพระิชิตามัยก็ทรงมีพระพุทธิีกาตระกับพระอานต์ว่าอานันทะดูก่อนอานุ์คำสอนใดที่เราจะหวงไว้เฉพาะครูอันนั้นไม่มีอยู่สำหรับเราเราสอนแล้วทุกอย่าง เมื่อตถาคตนิพานไปแล้วพระธรรมวินัยที่สอนเถอไว้จะเป็นศาสดาสอนเถคำว่าศาสดาก็แปลว่าครูจากนั้นความรู้ทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตัดเวลานี้เราก็มีสิทธิ์นำมาใช้ทั้งหมดแม้แต่ว่าพระนิพพานที่มีหลายคนบอกว่าเกินวิสัยสนหรับเราก็ช่างประไร จะเกินวิสัยสำหรับใครก็ช่างก็ถือว่าไม่เกินวิสัยสำหรับเราถ้าชาตินี้เราไปไม่ได้ชาติหน้าเราก็อาจจะไปได้ชาติหน้าไปไม่ได้ชาติโน้นแล้วก็อาจจะไปได้แต่เราตั้งใจไปไว้ทุกชาติไม่รู้ร่ชาตินี้ใครจะบ้าบ ว, วมยบงเราตามถ้าเราบ้าเพื่อปณิพาน์ดีกว่าบ้าไปนรก ตีกว่บ า, าบ้าลาบบ้ายศบ้าสนเสริบบ้าสุขบ้ารับสินจ้างรังวันชาวบ้านชาวเมืองทำจิตให้เป็นธาตุไม่ทำใจให้เป็นไทยบ้าประเภทนั้นลำบากกว่าเรามากตอนนี้วิธีที่เราจะเลิกละความบ้าค่อยๆละมันละทีเดียวมันหมดความบ้าไม่ได้ เวลานี้เราบ้านในอะไรบ้างบ้านในความรักบ้านในความโลภบ้านในความโกรธบ้านในความหลงอธทีว่าบ้าก็เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีการทรงตัวปิยโตชายติโสโ ก, โกปิยโตชาญาติพยังพระพุทธเจ้าทรงตัดความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรัก ให้อันตรายเกิดจากความรักทั้งๆ ท, ที่เราฟังอยู่อย่างนี้เราก็จะบ้ารักจนอยู่ตลอดเวลาเราก็จาจะต้องบ้าเพราะเกิดมาเนกลุ่มคนความเป็นคนบ้าในเมื่อมันบ้ามาแล้วก็ค่อยคลายบ้าทีละน้อยทีละน้อยจะคลายมากคลายมากมันจะเครียเกินไป วิธีคลายบ้าทำยังไงบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาพิสุส ม, มันเนิผู้รับฟังปฏิบัติตามนี้เราจะนำสังโยชนิสประการมาเป็นเครื่องปราบความบ้าพิจารณาดูใจแล้วว่าใจเราบ้าอะไรบ้างในสังโยชนิสประการหนึ่งสกายาทิฐิ เร e. ามีความความเมาในร่างกายว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราหรือไม่คกียวกความเ่อเราคิดว่าร่างกายที่มันจะทรงตัวตลอดการตลอดสมัยไม่รู้จะตายไม่รู้จะแก่ไม่รู้จะป่วยน่ยมีความรู้สึกอย่างนั้นไหมเห็นชาวบ้านเขาแก่ไม่เคยมีความรู้สึกว่าตนเองวันหนึ่งข้างหน้ามันจะแก่ เห็นชาวบ้านเขาป่วยก็มีไม่มีความรู้สึกว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราอาจจะป่วยอย่างนี้ <c oughs> เห็นเขาจะบ้านมีความตกตะกั่วลำบากมีการทุกพลภาพในร่างกายเราก็ไม่เคยคิดว่าการร่างกายเราจะเป็นอย่างนี้ในที่สุดเห็นชาวบ้านกระพัดพร่จากของรักของชอบใจเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะเป็นอย่างนี้ เห็นชาบ้านเขาตายเราก็ไม่เคยคิดว่าเาจะตายเพราว่าทานอภัยเตกรับว่าทุกท่านที่ฟังอยู่นะความบ้าอย่างนี้มีอยู่ไหมถ้ายังมีส่วนใดส่วนหนึ่งพยายามลดความบ้ามันเสียมีไหมกว่าว่าเราพยายามจะตัดความบ้าจะตัดให้มันมากตัดทีละน้อยละน้อย แล้วข้อดีสองที่เราต้องลดความบ้าที่เราบ้าคือสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าในความดีในพระธรรมคำส อ, สอนของพระพุทธเจ้าความดีของพระอริยสงฆ์สงสัยว่าพระอริยสงฆ์ไม่มีแล้วในโลกแล้วพระพุทธเจ้านิพพานไปนานแล้วเวลานี้ไม่มีพระอริยสงฆ์ ความบ้าอย่างนี้มีสำหรับเราไหมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่บกว่าต้องสามารถฝึกสองวิชาสามได้ฝึกมนโนวิธีได้ฝึกห้าแนพปัญญาหกได้เป็นต้นอย่างนี้ถ้อยคำใดที่องค์สมเด็จพระทศพลสอนไว้ เราฝึกได้เราก็ไม่สงสัยติดตามพระพุทธเจ้าบอกสวรรค์มีจริงไหมเราก็ต้องไปสวปรรค์พรมโลกมีจริงไหมเราก็ไปพรมโลกอนิพานมีจริงไหมเราก็ไปอนิพานนรกเปวสุรกายมีจริงไหมไปที่นั่นใครก็พูดว่าอะไรมีที่ไหนยังไม่เคยไปไปที่นั่นไปมันไม่อยาก อาการอย่างนี้เราฝึกให้มันเข้าถึงแท้จริงๆจะได้ลดความบ้าคือความสงสัยแต่ว่าบางทีเราก็ไม่บ้าคนเดียวนะคนอื่นเขาดีเราไปหาคนอื่นเขาบ้าเสียด้วยเพราะเราทําไม่ได้อย่างนี้ไม่ควรความบ้าประเภทนี้ต้องลดค่อยๆลดลงไปได้วยเหตุด้วยผลแล้วก็วิธีลดยังไงจะว่ากันไปทีหลัง พลิตสัญยอดข้อดีสนั่นคือไม่เห็นชอบด้วยศีนก็หมายความมาขึ้นที่ว่าการปฏิบัติในศีนวาจาดีกายดีต้องรวมทั้งใจดีด้วยศีนนั่นมีแต่กายวาจาไม่เป็นเรื่องคือก็ต้องใจดีสำหรับขาวาดชาวบ้าน ใจคิดจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเมื่อใจคิดจะไม่ฆ่าสัตว์มือมันก็ไม่ฆ่าปากมันก็ไม่พูดจะฆ่าใจคิดว่าจะไม่รักไม่ขโมยของใครเมื่อใจคิดแล้วปากมันก็ไม่พูดเกี่ยการลักขโมยมือมันก็ไม่ทำใจคิดว่าเราจะไม่ละเมิดความรักของบุคคลอื่นเมื่อใจคิดอย่างนั้นปากมันก็ไม่เกี่ยวพาราศีไม่พูดกายก็ไม่ทา ใจคิดว่าเราจะทรงสัตย์วาจาอย่างเดียวจะไม่พูดวาจาไม่จริงเมื่อใจคิดปากมันก็ไม่พูดอยางนั้นใจคิดว่าเราจะไม่ดื่มสุราดืไมเมลัใจคิดอย่างนี้ปากมันก็ไม่ดื่มนี่ถ้าเราจะละความว่าสำหรับครวัต ส, สำหรับสมณเมนต้องศีลสิบพร้อมไปเสกที่วัดอีเกสิบห้า แล้วก็พระต้องพร้อมไปด้วยสิข่ขาบท227รรวมพพิสมาจารยด้วยบกธรรมะด้วยพระต้องมีมากแต่เราทำไม่ได้อย่างนี้เราก็บ้าในสังโยชน์ข้อที่สามถ้าเราละความบ้าค่อยๆ ค, คลายความบ้าลงมาจนได้แล้วไม่ช้าความบ้าก็สลายตัวไป รวมควา ม, มง่ายๆว่าอันดับแรกถ้าจิตใจเราสัมพิยามควบคุมสังโยชน์สามเดียการไม่เกิดกับใจนั่นมั่นแน่นอนนั่นก็คือว่าหนึ่งสกายทิธิมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันต้องตายเราจะไม่เมาในร่างกาย ร่างกายมันจะเป็นยังไงก็จังเห็นร่างกายใครก็ร่างกายนั้นก็ตายเห็นร่างกายใครเห็นว่าร่างกายนี้ก็ต้องสรุดโทมร่างกายเราร่างกายเขาก็ป่วยไข้ไม่สบายร่างกายเราร่างกายเขาก็ประกอบไปด้วยความทุกข์ร่างกายเราร่างกายเขาไม่ชาก็ตายเช่นเดียวกันความเมาในร่างกายลดตัวลง เรารว่าลดความบ้าในความเมาในร่างกายมันยังไม่หมดนะมีความรู้สึกว่าจะต้องตายแต่ก็ยังรักร่างกายอยู่แต่จิตคิดว่าร่างกายนี้สักวันหนึ่งมันจะพังพังแน่ก็มีอยู่เหมือนกันไม่เมาเกินไปยังมีความรักในมันแต่ว่าคิดว่ามันจะตายเลยไม่ประมาทในการปฏิบัติในด้านของความดี หลังจากนั้นก็ปัญญาเข้าพิจารณาความดีเขาองค์สมเด็จไปรินสีแล้วก็ความดีของพระธรรมคํ า, าำคำสั่งสอนเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งความดีของพระอริยสงฆ์ใกล้คนนี้ความเป็นจริงตกลงว่าทั้งสามชาตารนาคมนี้ ร, รัยศาสนกคมได้แก่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ยอมรับว่าท่านดีแน่ไม่มีการสงสัยใน ร, ร, ยรัยศรสนาคมทั้งสามประการหลังจากนั้นจับศีลวยขึ้นครับปฏิบัติในศีลยิ่งกว่าชีวิตถือว่าตัวตายดีกว่าสินขาดค่อยๆนะ แต่พูดอย่างนี้จะมีใครมาลองเอ๊ะที่เขาดิดตัวตายดีสิ้นขาดเป็นลองตีลองดา่าเขาระวังระวังนะเพราะว่าทุกคนกำลังฝึกเพื่ออย่างนี้แต่ยังไม่ถึงอย่างนั้นด่าเบาๆอาจจะทนได้ด่าแรงๆด่าบ่อยๆอาจจะทนไม่ไหวอย่างนี้ก็ได้ ตีเบาๆอาจจะทนได้แต่ตีแรงๆสปริงแข้งสปริงขามันจะเกิดอย่าไปยุ่งกันเพราะว่าทุกคนกำลังฝึกกันกำลังฝึกนี่มัน ห, หมายถึงผลเา็น้นว่าองค์สมเด็จพระเทสพลทรงตรัสว่ากฎบุคคลใดบรรเทาความเมาในชีวิตหรือร่างกายมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันจะต้องตาย แต่ก็ยังรักร่างกายอยู่ไม่ใช่ไม่รักอย่าไปเคาะอย่าไปตีอย่าวปแตะอย่าไปต้องกันเข้าแล้วก็โดการที่สองมีความไม่สงสัยในคุณพระไตรศนนาคมทั้งสามโดยการโรยการที่สามมีสิ่ครบถ้วนตามสัญญาแต่งกล่าวว่าท่านผู้ปฏิบัติอย่างนี้ถือว่าเป็นผู้ เป็นบรบโสดาบันหรือพระสิทธาคามีแต่ก็ขอบันดาท่านิสุดสัมณีนุบบาลสุบบาสิากาเมื่อฟังไปแล้วก็อย่าเมากายเกินไปนะอ่านตามนองศีลแล้วนองศีลเขาเขียนเฉพาะตามความเข้าใจเขาบุกคลผู้เขียนเป็น ต, ตรงย่าลืมว่า การคุยเรื่องขนมมันไม่มีความรู้สึกจริงเท่ากินขนมฉะนั้นนางสีก็เขียนว่าถ้าระงับสังโยษ์สามเวกาคือส ก, กายทิธิมีความรู้สึกว่าต้องตายวิจิกิจฉาไม่สงสัยในคนพรัตนาตรายัย สีรพรตาปรามาตรักษาสิงเครื่องครัดเป็นวสุดาบันละสกิธาคามีอันนี้ยังถ้านักปฏิบัติก็คือคนจริง่จจริงๆต้องบอกอดยังยังก่อนทำไมจึงว่ายังก็เพราะว่ายังไม่เป็นจริงๆถ้าอารมณ์แค่นี้แล้วก็ยังไม่เรียกวสดาบันระสกิธาคามี เรียกว่าเป็นผู้เข้าถึงไตรสราคมคือมีความเคารพในพระพุทธเจ้าจริงในพระธรรมจริงในพระอริยสงฆ์จริงสำหรับท่านที่จะเป็นระโษดาบันจริงๆก็ต้องหนึ่งปฏิบัติจิตจริงจิตมีอารมณ์รักพระนิพพานอย่างยิ่งนั nda จะเป็นชายก็ดีหญิงก็ดีวิสุสมณีนุมาสุมาติกาเขาตาม ทำความดีแล้จิตคิดไม่เสมออยู่เสมอว่าการความดีที่เราทำแล้วตายเมื่อไรเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานอารมณ์นี้ต้องมั่นคงแล้วก็ใจชาลงจากความรักในะระหว่างเพศชาเล็กน้อยนะคือไม่คยอยแรงเหมือนเดิมชาจากกำลังของความล่ำรวย ใจชาเราจะกำลังขึ้นความโกรธใจชาจะ ก, กำลังขึ้ความหลงมันชาเล็กน้อยไม่ชามากหมายความวาอารมณ์มันเกิดชาไปนิดหนึ่งพอเกิดแล้วอารมณ์ก็มันเฉยไปหน่อยหนึ่งความรักความอยา ก, กรวยความโกรธความหลงยังมีเพิ่มบริบูรณ์แปลว่ากำลังมันชาไป ในกำลังใจของท่านบนนั้นมีความรู้สึกอยู่บ้า ง, างว่าอยาลมว่ารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคือกฎธรรมดาทั้งหมดแต่ว่าใจละได้ทั้งหมดแตยังไม่จริงยังละไม่ได้หมดแต่คิดว่าธรรมดามันเป็นอย่างนี้นี่นะเราเกิดมาเพื่อชาว บ, บ้านเขาด่า ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านัถิโลกีอนินทิโตพระพุทธเจ้าบอกเลาคนที่เกิดมาในโลกนี้ไม่ถูกดา่าไม่ถูกนินทานไม่มีจำไม่ว่าเราเกิดมาเพื่อถูกชาวบ้านเขาดา่าเขาอยากดา่าก็เชิญดา่าแต่ระวังนะเอาโสดาบันนิดา่าท่านหลอกมากไปได้หรอก ท่านมีจิตเมตตา ม, มากถึงเกรงว่าจะขาดทนดีไม่ดีท่านให้มัง่งเรกรงความว่าถ้าจะเป็นเบโซดาบันจริงๆจิตต้องรักพระนิพพานเป็นอารมณ์อารมณ์เริ่มเฉยในความต้องการนั่นก็คือความรักยังมีอยู่ทบท่วนบริบวนไปเฉยไปหน่อย ความโลภความอยากรวยยังมีอยู่แต่เฉยไปหน่อยความโกรธยังมีช้าไปนิดความหลงยังมีจืดไปหน่อยอย่างนี้ท่านเรียกว่าปะโสดาบันฟังดูจริงๆแล้วก็เป็นของไม่ยากตอนนี้วันนี้เราก็มาพูดเรื่องแค่ปะโสดาบันก่อน ในเมื่อการศึกษาเขาศึกษากันในพระพุทธศาสนาในพระเจ้าทรงยืนยันไป ม, มากว่าเรื่องบารมีสิทธ่มีความสำคัญอย่างยิ่งถ้ามีบารมีไม่ครบถ้วนเราจะเป็นบสดาบันไม่ได้ ถ้ามีบารมีครบทวนเราก็จะเป็นพระเรียเจ้าคือตั้งแต่พระโสดาบันือเน็นได้อันนี้บรรดาท่านพรทธบริษพระเนรทุกอง <c oughs> ที่ได้มโนมยิฐิีแล้วสังวรให้มากคือคำว่าสังวรคือระวังให้มากอย่าไปหลงฌานสมาบัติเกินไปฌานสมาบัติไม่ควรทำไม่ควรละแต่ฌานสมาบัตินเป็นเพียงตัวระงับกิเลสเท่านั้น ถ้าเผลอมอะไรมันก็ปูเมื่อนั้นผมนั่นนอนนอนแล้วก็แววแววเสียงบางท่านบอกเวลานี้ชั้นทรงอยู่ในฌานสีบ้างชันทรงในฌานสามบ้างกําลังใจฉันมีสภาพแจ่มใสบ้างอันนี้ระวังระวังมันแจ่มใสขนาดไหนถ้าแจ่มใสขนาดเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่เป็นไร แต่ส่วนมากที่แจำใสมันเป็นการจำใสของฌานโลกีระวังให้ดีนะฉพระนั้นถ้ามันหลายเจ้าศึกษาอย่างนี้ถ้าจิตเป็นฌานทรงฌานไว้เป็นของดีแต่ยังดีไม่พอยังไม่พ้นนรกสิ่งที่เราจะทําให้พ้นนรกก็คือสัญญอสิบตัดให้ได้แต่การที่จะตัดสัญญอสิบต้อง ป, อประกอบไปด้วยองค์คุณทั้สิบรายการก่อน สังโยชน์ที่เราจะตัดสิบไปกำลังช่วยการตัดก็สิเหมือนกันที่เรียกว่าบารมีสิบบารมีนี่ท่านแปลว่าเต็มเรียนมาว่าอย่างนั้นแต่ว่าศัพท์ของพระพุทธเจ้าได้ฟังมาโดยฟังมีคนก็พูดว่าพระพุทธเจ้าท่านแปลว่ากำลังใจเต็มจะไม่ดีนะ ถ้าถามว่าทธิวัดนี้แปลบารมีว่าอย่างไรก็ตอบก็บอกที่วัดนี้แปลบารมีว่ากำลังใจเต็มกำลังใจให้มันเต็มทั้งสิบอย่างเรื่องหนึ่งเต็มในการให้ทานเต็มพร้อมในการรักษาศีลเต็มพร้อมในการถือบวช เต็มพร้อมในด้านคุณัญญาเพือ่อค้นคว้าหาความเป็นจริงเต็มพร้อมในด้านข้องความเปียงเป็นการกําจัดอุสปสรรคเต็มพร้อมในขันติคือการอดทนต่ออารมณ์ต่างๆเต็มพร้อมในสัจจะคือทรงความจริงไม่ท้อถอยไม่ถอยหลังไม่สับสนเต็มพร้อมในธิฏฐานคือตั้งอารมณ์ไว้ให้มันแน่นอน เต็มพร้อมในเมตตาคือความรักไม่มีความเลวขมผสมไม่มีความโหดร้ายผสมเต็มพร้อมในอุเบกขาหรือการวางเฉยแล้วก็คอยฟังกันต่อไปตอนนี้จะมานั่งคุยกันอะไรมันลอดไมโครโฟนคึศเขาแล้วมาคุยสักนิดมองดูเวลาหรือประมาณห้านาทีได้ไหมสีนาที ก็มาคุยกันสักหน่อยว่าทานบารมีเนะี่ยความจริงบารมีท้านะสิบราการนะั้นตื่นขึ้นมาเช้าจะต้องเขียนแนละท่องจำไว้ว่าบารมีสิบราการนะี้มีอะไรบ้างคือหนึ่งทานการให้สองสิงการรักษาสามเ ม, กมะการอดใจในในนุ่วรห้ราการขั้นตน้นขั้นต้นนะ สา ม, มัญญารู้แจ้งเห็นจริงไม่เมาในร่างกายเราเขามีไหมาสามวิทยะความเอขอโทษวิแล้วก็5นี่มันห้าแล้วดิแล้วก็ห้าวิยะความเปลี่ยนต่อทุ่สู้ทุบไปสักไม่ท้อถอยอแล้วก็ขันติความอดทนต่อรมต่างๆแล้วก็ั จ, จะมีความจริงมุ่งหน้าเฉพาะ พ, พนันธ์ อธิษฐานตั้งใจไว้ตรงไม่หลีกเลี่ยงเฉพาะปณิพาน์เมตตาจิตหน้าตาชื่นบานหิงกรลสัตว์เป็นมิตรแล้วก็อธิษฐาสิบอุมเบกขาจิตคิดวางเฉยไม่โตตอบไม่รุกรานไม่ซ้ำเตมิมใครกำลังใจทั้งสิบรายการนี่แหละบรรดาท่านพิสุสมณีนนทั้งหลาย แล้วอุบาสุกุบาติกาทั้งหลายถ้าไม่สามารถจะทรงได้ทั้งสิทมันโนมยิธิท่านั้นได้เนี่ยมันไม่มีผลหรอกผลนั่นมีเหมือนกันแต่มันจะมีตรงไหนนะมีตรงนี้ได้ฌานโลกีแต่ไม่ช้าฌานนี่มันจะสลายตัวอารมณ์เสื่อมม่นจะเกิดคือความดีมไม่ไม่ทรงตัว ถ้าความดีไม่ทรงตัวแล้วเป็นยังไงขั้นสุดท้ายงที่เราจะไปก็คือนรกผู้ป่าทานมันจะกินเวลาลายสามนาทีขอพูดเรื่องสัญญอดสัญญอดมี่มีธิบก็อระมัดระวังให้มากอันดับแรกตัดสามให้ได้ก่อนต้องให้ได้แน่นอน เราสั่แต่ ว, ว่าทำเรื่อนชาลกีได้เท่าไรก็าตามแต่สังโยอสามยังไม่ได้เนี่ยต้องมีความรู้สึกว่าเอาดีไม่ได้เรายังไม่เท่าถึงความดีและความดีที่ตัดสังโยษสามได้เล็กน้อยสังโย์อีกแปดก็คือการมฉันทะการตัดอารมณ์ในกามคุณปาดิฆะการตบตัดอารมณ์กระทบใจ ถ้าตัดได้สองเป็นพระอนาคามีตัดได้อห้าคือไม่หลงในรูปฌานและไม่หลงในรูปฌานระวังให้ดีนะนี่หลงกันมากนะที่ ฟ, ฟังฟังพระนะพระเนี่ยหลงในรูปฌานและรูปฌานกันหนักระวังให้ดีมันจะลงนรกไปแล้วก็ไม่หลงในมานะการถือตัวถือตน อารมณ์ตัดอารมณ์ฟุ้งสั้นมุ่งพนธิภัณฑ์ไปนี่ไปอวิชาตัดกำลังใจที่เห็นว่ามนุษย์โลกเทวโลกปฐมโลกเป็นของดีให้สิ้นไปกำลังใจมีอารมณ์เดียวคือมิภัณฑ์นิรับดรดาท่านพระบริษัทุกท่านถ้าทำได้อย่างนี้นะจะเป็นอรหรันต์อย่าไปมัวเด ม, ว ม, วมวดัวเมาเดชนโลกีเกินไปบางท่านบอกสำรวจใจมให้จใส ใสเจ้าไม่ใสนั่นมาไม่ใส่อรรถในสภาพของพระอริยเจ้าเป็นการใสในแช่งขั้งของชันโลกีจะใสขนาดไหนก็ตามทีถึงแม้ว่าจาเป็นพระราหันจำไม่ว่าถ้าเราจะมีร่างกายเพียงใดเรายังไม่ดีเท่านั้น เราจะดีได้จริงๆก็คือร่างกายหมดไปเข้าปณิพันอ์อรบรรดาท่านพุทธบริษทัททุกท่านมองดูเวลาพอดีพอดีสำหรับตอนนี้ก็ยุติมต่เพียงตรง น, นี้ขอความสุขสวัสดิพิพัฒนะมงคสผลสมบูรณ์พนผลตรงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี